มังกรยกภาค2สองตอนที่10ตอนเปลี่ยนธาตรรมก่อนที่ฟ้าจะประทานภารกิจให้จะต้องชำระชีวิตจิตใจเขี่ยกรมสังขารร่างกายทรมานกระดูกเส้นเอ็นผู้คนนักเวลาชุนเทียนสันตะเคีรีบันพศมาเร็วและจากไปช้ากว่า ต้นหลิวย้อยลิมวารียังเขียวขจีสดใสนกนางแอง่งอันปราเปียวว่องไวก็ยังคงบินว่อนไปมาอยู่ใต้ฟ้าสีครามนี้ยามนี้ท่านโอหยางสัง่งผู้ถูกฟามือปลิดชีพซัดตกเขาลงมานอนสิ้นสติสมประดีณเชิงผาก่อนสิ้นความรู้สึกนางกำห่อผ้าลูกแก้วจันทราไว้ในมือไม่ยอมปล่อย มากว่าชีวิตเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อยุทธภพดังคำสือไทยไทยเก่าๆขอให้เทพยาดาฟ้าดินโปรดช่วยข้าด้วยท่ามกลางความเจ็บปวดรวจดราวดุจอวิวะทุกส่วนแตกสลายการเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเป็นพิเศษย่มนี้โอหยังสั่งรู้สึกประหนิงจะสิ้นร่มปาน ฝันปรากฏเงาร่างพิสุ์ดูคล้ายเรือนหลังพิสุิ์เท่าผู้หนึ่งยกฝ่ามือใจกลางฝ่ามือคล้ายมีคลื่นความร้อนที่ไม่สามารถบ่งบอกบรรยายถ่ายทอดเข้าสู่ร่างของหนางคลื่นความร้อนหนีบัดเดียวอ่อนจางบัดเดียวก่้าแข็งพร้อมกับลมหายใจเข้าออกของหนางได้วิ่งพรุ่งพล่านอยู่ภายในกาย การเคลื่อนไหวของลมปานภายในหมุนคว้างลาวหอยทาที่น่าประหลาดคือตำแหน่งที่โอหยางสั่งถูกฝามือปิดที่ฝ้าใ่มิเพียงไม่บังเกิดอาการเจ็บปวดมิหนำสำยังปลอดโปรงสบายสุดบรรยายมิทราบว่าผู้ใดที่มาช่วยค่าหน่อยเจ้าทาลกน้อยเอ๋ย ร่างกายเจ้าได้รับความ บ, บอบช้ำภายในยามนี้ข้าได้ถ่ายทอดพลังลมปานให้เจ้าไป8ปถึงเส่วนเพื่อเคาะทะลุจุดบอบช้ำไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเจ้ามีหนาสำมีส่วนในการผลัดเปลี่ยนกระดูกเปลี่ยนเส้นเอ็นปรับพื้นฐานลมปานอีกด้วยเจ้าท้าลกน้อยเอย๋ย ถึงแม้ข้าจะช่วยรักษาให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่ก็มิอาจเปลี่ยนแปลงอววะส่วนสำคัญที่พิการของเจ้าได้คือส่วนของหัวใจข้างขวาที่แหลกสลายเจ้าจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ดุจ ด, ดังคนทั่วไปเจ้าต้องฝึกวิชาเจ้าต้องฝึกลมปราณเจ้าต้องฝึกวิทยายุทธ์ต่างๆจงใช้เวลาที่เจ้าพิการนี้ มิสา ม, มารถขยับขยื่อนเคลื่อนกายให้เป็นประโยชน์ตั้งใจฝึกปริยุ์ที่เราผู้เท่าจะถ่ายทอดให้เพื่อการข้างหน้าจะได้เอาไปช่วยผู้คนในยุทธภพข้าน้อยมิบังอาจแม้เพียงเคลื่อนกายตนเองยังทําไม่ได้จะช่วยผู้คนได้อย่างไรอย่าก้าวมากความจงตั้งใจเรียน การข้างหน้าเจ้าจะรู้เอง3ปีผ่านไปเหมือนโกหกโอหยางสาั่งบัดนี้ได้รักษาอาการบอบช้ำภายในไปพร้อมกับการฝึกฝนวิทยายุทธกับภิกษุเท่าฝึกวิทยายุทธทุกชาวคำนางไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดที่เมตานางได้แต่เรียกภิกษุเท่าผู้นั้นว่าซื้อแปะซื่อแป บตดนี้นางสามารถมีชีวิตอยู่ได้ดุจ ด, ดังคนปกติถึงแม้นางจะมีหัวใจที่พิการจากการบาดเจ็บด้วยฝ่ามือปิดชีพข่าวนั้นก็ตามสภาพของนางตอนนี้มีเพียงจะมีวอรยุทธิ์ที่กล้าแข็งวอรยุทธิ์สส่วนที่ได้รับการฝึกปลือมาคือชี่กงคือพลังลมปานการฝึกลมหายใจแบบวิธีในกง วิชากำลังภายในและวบกงธรรมกายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานางถูกเคี่ยวกรรมฝึกปืนไม่อาจลิงหนีการฝึกได้แม้แต่วันเดียวทำให้เลือดเนื้อกายใจจิตวิญญาณของนางกลับเปลี่ยนประดุจหนึ่งเดียวกับภิกษุซือแปะที่นางรักยิ่งกว่าบิดาบังเกิดเก่าผู้ซึ่งให้ชีวิตใหม่แก่นางบัดนี้ นางได้แปลเปลี่ยนท่าธรรมและทราบซึ้งว่าการที่จะได้วิชาสุดยอดแห่งวิชาต้องตายก่อนตายคือให้ทิ้งขันห้าเสียนี้เป็นตัวสำคัญธรรมกายโยอรหังอิติปิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเป็นสุดยอดแห่งวิชาที่ภิกษุเท่าทายทอดให้ ธรรมะอยู่ที่ไหนมนุษย์อยู่ที่นั่นธรรมอยู่ที่นั่นและมนุษย์ทุกคนมีหวบสิงธรรมกายอยู่ในทุกคนความยิ่งใหญ่มาสจรั์ของหวบกงนี้เหลือขนานับหวบสิงหนึ่งคนช่วยได้คนทั้งเมืองนี่คือคำที่พิสุทธเท่าพั่มสั่งสอนจงใช้มันเป็นประโยชน์สคือ ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและประโยชน์อย่างยิ่งต่อพลันิพานบันดนี้เราจะส่ ง, ส<อ>งเจ้าเข้าไปสู่ยุทธภพจงใช้ความสามารถของเจ้าให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนด้วยความเมตาามเมตาปณนนงเดียวกับพวกเขาคือผู้ร่วมสายโดยเดียวกับเจ้า นีคือลูกแก้วไทยอิงของเจา้าจงพกติดตัวไปในไม่ชา้าเจ้าจะได้ลูกแก้ ว, กกวคู่กายสิทธิคือไทยเอียงเมื่อไทยอิงและไทยเอียงได้พบประสบกันประสานรวมพลังอิ่มเอียงเป็นหนึ่งเดียวจะใช้กอบกู้บ้านเมืองเมื่อถึงข้าวคับขันซื้อแปร ท่านมิเมตตาข้าน้อยแล้วหรือจึงได้ขับใสไล่ส่งข้าน้อยไปจากดินแดนแห่งนี้ถ้าลบน้อยเอ๋ยวันหนึ่งเจ้าจะเข้าใจว่าข้ามิได้ทําเช่นนั้นเพียงแต่เจ้าจะต้องไปทําหน้าที่ของเจ้าตามบัญชาแห่งฟ้าเจ้าจงไปเถอะโอหยางสั่งจึงได้ลําลาซื้อแปะอันเป็นเสมือนบิดาบังเกิดกล่าวด้วยความอาลัยยิ่ง นางได้เดินทางมาสู่แดนใต้ตามคำของสื่อไทยไทยอิ่มเพื่อค้นหาปริศนาธรรมอื่นต่อไปเกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กัมจะเกิดมาทำไมปริศนาธรรมคืออะไรโปรดติดตามตอนต่อไป